อันเป็นอาการของโมหะเข้าครอบงาใจความไม่เห็นอาจไม่เห็นธรรมความไม่รู้เหตุไม่รู้ผลก็จะบังเกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลเหล่านั้นตามปริมาณความเข้มข้นของความเครือบแคลงสงสัยที่เกิดขึ้นซึ่งข้อ น, นี้ผู้ปฏิบัติธรรมะจะสังเกตได้ว่าเรื่องบางเรื่องเรามีความเคลือบแคลงสงสัยมาตั้งแต่เด็ก ในปัจจุบันก็ยังมีความเครือบแคลงสงสัยอยู่ไม่สามารถกระจัดความเครือบแขลงสงสัยไปได้ก็ แ, แสดงให้เห็นหนึ่งอาการของโมหะคือความหลงหรือวิชาคือความไม่รู้มีอยู่มากไปในใจแม้จะพยายามะจัดออกไปเท่าไหร่มันก็ขจัดออกไปอย่างไม่หมดนั่นแสดงการเครือบแคลงสงสัยอยู่วันเวลาแสดงอาการเครือบแขลงสงสัยที่ท่านสรุปไว้เป็นเรื่อง ความเครือข่ายสงสัยในพระพุทธเจ้าในประธรรมในพระสงฆ์ในไตรสิกขาในเรื่องอดีตเรื่องอนาคตทั้งอดีตอนาคตและในกฎของปฏิจจสมุปบาทตละอย่างนั้นจะอยู่ภายในแวดพงของความเครือข่ายสงสยัยแม้ปัญหาเรื่องตายแล้วเกิดหรือไม่หรือตายแล้วเกิดแต่ตายแล้วไปไหนมีนรกสวรรค์มีจริงหรือไม่เรื่อในชาติก่อนเราเคยเป็นยังไงเป็นต้น แล้วคงเป็นปัญหาตกค้างอยู่ภายในใจของบุคคลซึ่งแสดงเห็นทั้งความเครือแครงสงสัยที่มากบางน้อยบางบางครั้งก็ปรงใจเชื่อได้เพราะใส่ศรัทธาความเชื่อมั่นในคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้สะดับต่อกองมาแต่บางครั้งใจก็แกว่งไปรับรู้ความคิดเห็นของบุคคลอื่นและไปให้ความสําคัญกับความคิดเห็นของบุคคลนั้น มากกว่าคําสอนของพุทธเจ้าก็กลับมาสู่ความเปลี่ยแปลงของใจอีกเป็นการปฏิบัติที่ไม่ก้าวไปข้างหน้าแต่บางครั้งก็มีลักษณะถอยหลังที่ทรงใช้คําว่าอนิวัติปฏิปทาคือปฏิบัติไม่ไม่ไม่ก้าวไปข้างหน้าทํำยังไงจึงจะให้เกิดเป็นการปฏิบัติที่ต่อเนื่องกันไปได้ลักษณะของ วิจิการ์ชาซึ่งเป็นความเครือบแคงสงสัยเป็นอาการของความมื ด, ดวิธีการจะแก้ไขความเครือบแคลงสงสัยเหล่านี้ได้ก็ต้องอาศัยแสงสว่าง แ, แสงสว่างที่ต้องเริ่มชายในตอนต้นก็คือเรื่องของโยนิโสมนสิกาลคือการทําไว้ในใจโดยอุบายแยบคายโดยเหตุโด้วยผลศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านั้นพิจารณาสอดส่องชี้เคียงโดยการศึกษาบ้างโดยการสนทนาสอบถามบ้าง แต่การจะเห็นประจักษ์แจ้งแก่ใจจริงๆจะต้องอาศัยการประพฤติปฏิบัติจนสัปดผลตามที่ท่านแสดงไว้จึงจะสามารถขจัดความเครือบแคลงสงสัยออกไปได้อย่างสิ้นเชิงซึ่งหมายความว่าถ้าเมื่อถึงจุดนั้นจิตใจของบุคคลก็จะมีความศรัทธาเชื่อมั่นในคุณของพระพุทธ เ, เจ้าในคุณของพระธรรมในคุณของพระสงฆ์และในไตรสิกขาหรือศีลสมาธิปัญญาความศรัทธาเชื่อมั่นเกิดขึ้นได้ในจุดนี้ ความเครือแปล่สงสัยอีกสี่ประการข้างหลังหรือความเครือแปล่สงสัยในเรื่องอดีตอนาคตทั้งอดีตอนาคตและในกฎของปัยายการก็จะบรนเทาประบางลงไปจนถึงกับหมดสิ้นไปในบางจุดประหาสาคัญการเพ่งพินิษที่ได้กล่าวมาโดยดำดับมาถึงเรื่องของปฏิจจสมุปบาทซึ่งถือว่าเป็นองค์ธรรมที่มีความสาคัญ เป็นสัจธรรมที่มีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติธรรมดาของเขาพระเจ้าทรงทสัจรู้ปฏิจจสมุปบาทหรืออริยสัจ ท, ทั้งสี่ประการเพิงเข้าใจว่าอริยสัจ ท, ทั้งสประการกับปฏิจจสมุปบาทนั้นเป็นเรื่องเดียวกันเพียงแต่ว่าอริยสัจนั้นคือแสดงในวงจรที่เล็กปฏิจจสมุปบาทนั้นจะแสดงเป็นรูปของกระบวนการซึ่งเป็นธรรมะที่มีความละเอียด แม้พระเจ้าเองหลังจากแตสรู้แล้วก็ทรงใช้เวลาพิจารณาทบทวนปฏิจจสมุปาฏอยู่ถึงเจ็ดสัปดาห์ด้วยกันจนมีความเห็นคล่องแคล่วชํนชนานิชํานานตามความเป็นจริงในเรื่องกฎตอนนั้นแต่พเรามาศึกษาพินิจพิจารณาก็จริงจริงเนื่องจากเป็นความรู้ระดับหยาดไม่ใช่เป็นความรู้จะต้องอาศัยการคิดพินิจพิจารณาได้โดยลาพัง ส่วนหนึ่งยังจําเป็นจะต้องอาศัยความเชื่อมั่นที่มีอยู่ในการศัสรูของพระพุทธเจ้าเป็นฐานใจเพื่อให้เกิดเป็นความสับสนขึ้ น, นมาภายในใจเการศึกษาในเรื่องนี้การพิจารณาในเรื่องนี้จะให้เกิดความเข้าใจได้อย่างต่อเรื่องมันก็ต้องมองโดยสรุปเสีก่อนหรือแทนที่จะมองภาพใหญ่ก็ต้องมองภาพ เ, เล็กๆให้เห็นเสก่อนปฏิจจสมบัตินั้นก็คือเรื่องของกิเลสกรรมและวิบากที่ท่านสรุปรวมเป็น3ามกลุ่มใหญ่ๆด้วยกัน คำกิเลสก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นภายในใจแล้วก็ให้เกิดความกําหนัดขัดเคืองหรือรุ่มหลงในอารมณ์เหล่านั้นอย่างใดอย่างหนึ่งหรืออาจจะต่อเนื่องกันไปทั้ง3ประการก็ได้ตามลักษณะความเปลี่ยนแปลงของอารมณ์และความเปลี่ยนแปลงของปริมาณของกิเลสและการกําหนดอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นในขณะนั้นๆเมื่อเราเกิดกิเลสขึ้นมาก็ต้องมีการการะทํากรรมไปกายบ้างหรือวาจาบ้างหรือแม้แต่ด้วยความคิดบ้าง เมื่อทำไปแล้วก็ต้องได้รับผลซึ่งเกิดขึ้นจากการกระทําเหล่านั้นตามสุกวรกิเลสแลว้วพอผลเกิดขึ้นแล้วมันก็มีความพอใจหรือความไม่พอใจในตัวผลเหล่านั้นมันก็มีการกระทํากรรมอีกกิเลสมันก็เกิดขึ้นอีกมันก็หมุนวนกันอยู่อย่างนี้หาจุดจบไม่ได้ก้ อ, อนี้เพิ่งสังเกตว่าเช่นเราเกิดรับประทานอาหารจะเกิดความอยากในรสอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งคิดมา มันก็จะมีการกระทํากรรมโดยการไปซื้อหาบ้างหรือโดยการไปปรุงขึ้นมาบ้างเสร็จแล้วก็รับประทานเมื่อรับประทานก็ได้รับความอิ่มหรือได้รับความพอใจติดใจในรสชาติอาหารล่านั้นอนสุดกิเลสมันก็เกิดขึ้นในผลแถวนั้นเองที่เราเคยอร่อยเคยสัมผัสรสชาติอาหารเหล่านั้นมันก็ปรุงอีกมันเกิดความอยากขึ้นอีกก็แสดงว่า ก, กิเลสก็เกิดอีกกิดลสก็มีการปรุงอาหารนั้นอีก ผู้ ง, งานรับประทานมันก็ยังติดใจในรสชาติอร่อยอีกสีหวันก็ปรุงขึ้นมาอกีกก็รับประทานกันอีกซึ่งลักษณะเหล่านี้บางครั้งเป็นอาการที่สยบจิตจึงจะเห็นได้ว่าเช่นพวกนักเลงสุรา ห, หรือนักเลงอะไรต่างๆที่จะต้องดื่มในเรื่องเหล่านี้อยู่ตลอดระยะเวล า, าวันก็ดื่มกันเรื่อยเดี๋ยวตอนเช้าก็ดื่มตอนเที่ยงก็ดื่ ม, ต อ, มตอนบ่ายก็ดื่ ม, มก่อนนอนก็ดื่มไม่หยุดที่แสดงให้เห็นถึงความไหลอ ย, อย่างต่อเนื่องของกิเลส มีความโลภที่มีโมหะปิดบังปัญญาเอาไว้ไม่ได้มองในแง่ของความเป็นโทษแต่มองในแง่ของความอ ร, อริตรหรือความพอใจความชอบใจกับตัวเองเพราะกิเลสในลักษณะนี้จึงเป็นการโลภจัดแล้วก็หลงจัดที่เกิดขึ้นในสุดก็มีการกระทากรรมโดยการซื้อหรือว่าด้วยการแสวงหามาดวยวิจิใดวิจิตหนึ่งแล้วพดื่มมาไปมันก็รับผลกรรมมันก็ติดใจในรสชาติของความอร่อยนั่นเองมันก็ ทำกรรมอีกกิเลส ก, ก็เกิดขึ้นอีกทำกรรมอิ่มก็หมุนวนกันอยู่อย่างนี้จะถามว่าเมื่อไหร่จะจบโอกาสจบจะมีไม่ได้ถ้าไม่ตัดกระแสของกิเลสในเรื่องตอนนั้นทึ่วันนี้เพิ่สังเกตว่าก็มีบางสิ่งบางอย่างที่เราเกิดกิเลสแล้วก็ทำกรรมในรูปที่ตอบสนองความต้องการของเรา ต่อมาบันดีคืนดีสติปัญญาเหตุผลการใช้ปัญญาพิจารณาสอดส่องมังเกิดขึ้นภายในใจเราพิจารณามองเห็นโทษของสิ่งดังนั้นแล้วก็บรรเทาความอยากที่บังเกิดขึ้นอย่างน้อยในช่วงหนึ่งก็จะทิ้งช่วงห่างลงไปเป็นคนที่เคยดื่มสุราก็อาจจะทิ้งช่วงห่างลงไปจนถึงกับไม่ดื่มในที่สุดซึ่งก็เป็นการแสดงเห็นว่ากิเลสมันก็จะจางลง การกระทํากรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเองในเรื่องนี้มันก็น้อยลงผลบิบากคือผลที่จะเกิดขึ้นจากการดื่มสุราก็มีน้อยลงพอถึงจุดหนึ่งเราก็เลิกก็แสดงว่ากิเลสสายนี้เกิดสงบไปเกิหมดสิ้นไปกรรมคือการดื่มสุราก็หยุดผลที่เกิดขึ้นจากการดื่มสุราก็ส ง, งบตามไปด้วยตรืองตัวการใหญ่ก็คงอยู่ที่กิเลสเแต่เพิ่งสังเกตว่ากิเลสนั้นไม่ได้มีเฉพาะสายเดียว คือไม่ได้มีเฉพาะสายของโลภะหรือสายของราคะอย่ายเดียวแต่บางครั้งก็เป็นสายของโทสดาเฉยกตัวอย่างว่ามีคนหรือว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราไม่ชอบมันก็เกิดขึ้นพอเราต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นมันก็แสดงปฏิกิริยาในทางไม่ชอบก็แสดงว่าการกระทำกรรมก็เกิดขึ้นแล้วก็เก็บความไม่พอใจเอาไว้าาาไวภายในใจของตนมันก็กลายเป็นผลที่อยู่ภายในใจ บางครั้งไปได้ยินได้เห็นสิ่งเหล่านั้นก็เกิดความไม่ชอบขึ้นมาอีกก็ทํากรรมอีกมันก็หมุนวนกันอยู่อย่างนี้เช่นเดียวกันซึ่งบางครั้งบางคราวแม่จะไม่มีการกระตุ้นมาจากข้างนอกแต่เนื่องจากภายในใจเราได้เก็บผลคือวิบากเอาไว้ภายในใจคือสังเกตว่าลักษณะอารมณ์บางอย่างจึงเป็นการตรึกนึกการเหนียวนึกขึ้นมาเองแม้ว่าอารมณ์เหียดนั้นจะดับไปแล้วในอดีตคือเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นนานมาแล้วแล้วก็ดับไปแล้วผ่านการเวลาไปแล้ว แต่เราก็เนียวนึกขึ้นมามันเนี่ยลึกขึ้นมาก็อย่างน้อยก็กระทำกรรมทางมโนกรรมคือตรึกนึกถึงเรื่องเหล่านั้นพอตรึกนึกเรื่องเหล่านั้นในผู้วิบากก็เกิดขึ้นอีกซึ่งจะเห็นได้ว่าบางครั้งในเรานอนไม่หลับเพราะเรื่องเดียวกันตั้งหลายหลายคืนแล้วก็ทิ้งช่วงอยู่ได้นานๆท่านี้เป็นเพราะอะไรเพราะปริมาณของกิเลสเกสร่เพิ่มขึ้นการศึกนึกก็เข้มข้นมากยิ่งขึ้นผลกระทบต่อสุขภาพจิต ส, สุขภาพกายสุขภาพจิตของเราก็มากขึ้น การนอนไม่หลับก็เพิ่มมากขึ้นโดยลำดับจนถึงก็สุขภาพเสือส่อมโทรมลงไปนี่ก็เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ว่ากระบวนการของปัจจัยาการนั้นกระบวนการของปฏิจจสมบัติหรือปัจจัยาการนั้นที่จริงแล้วก็เกี่ยวข้องกับชีวิตเราเกี่ยวข้องกับในชีวิตประจำวันของเราแต่ว่าเวลาส่งแสดงนั้นพึ่สังเกตว่าจะสรงแสดงทั้งกิเลสทั้งกรรมทั้งวิบากแล้วก็แสดงเป็นสาสามช่วงหเือกันเพื่อเห็นเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง พอลักษณะการแสดงที่ต่อเนื่องเจ็ดนี้ก็อย่างที่ทรงแสดงโดยสรุปไว้ในมหาตถาสังกยสูตรที่ว่าชีวิตรเราจะหมุนวนอยู่ในสังสารวัฏหรือไม่จะตายแล้วจะเกิดอีกหรือไม่หรือเกิดในโรกระวัณมีความสุ ข, ม, ม, สขมีความทุกข์อย่างไรหรือไม่นั้นก็จะทรงมีวิธีการแสดงไว้โดยนิยาต่างๆบางครั้งเป็นการพูดโดยภาษาธรรมดาธรรมดาที่ง่ายต่อการเข้าใจแต่ไม่ใช่ เป็นข้อเท็จจริงในรายละเอียดเพราะรายละเอียดจะต้องพูดโดยอีกวิธีหนึ่งแต่พูดระดับนี้มันก็เข้าใจกันได้ในระดับหนึ่งยกตัวอย่างว่าพระเวสสันดรตายไปแล้วไปบังเกิดในสุกติโลกสวรรค์พระนางมัทสีตายไปแล้วบังเกิดในสุกติโลกสวรรค์เปต้วแม้คําพูดเพียงเท่านี้เราจะเห็นถึงอาการที่ต่อเนื่องขององค์ธรรมดาีิก่าวแล้วการตายนั้นเป็นการแตกทําลายของสังขาร ึก็เป็นปกติธรรมดาของสังขารทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วก็จะต้องมีการแตกทำลายไปแต่ถ้าไม่แตกทำลายไปแล้วบางคนเกิดในสุกติบางคนเกิดในทุกติแล้วในสุกติเองทุ ก, ต, ทกติเองก็มีความแตกต่างกันทั้งนี้ก็เพราะปริมาณของกิเลสที่มีอยู่ภายในใจของบุคคลมีความหยาบมีความกลางมีความละเอียดแตกต่างกันหมายความว่าถ้ากิเลสหยาบก็ธรรมะมันก็น้อยภูมิจิตมันก็ต่า เมื่อภูมิจิตตามพฤติกรรมที่แสดงออกในชีวิตประจําวันเป็นการกระทําคือเป็นกรรมนั้นก็จะเป็นกรรมที่เป็นบาปเป็นอกุศลมากบุคคลเหล่านั้นมีความเศร้าหมองภายในใจเกิดขึ้นเขาก็รับความทุกข์ความเดือดร้อนแม้ในชีวิตปัจจุบันแต่เพราะปริมาณของกิเลสสูงกรรมที่เป็นบาปสูงก็าตานองคล้ายๆกับเราในกระแสน้ําที่มันขุ่นมากๆแล้วจะไหลเรื่อยลงมา แล้วมากระทบความขุ่นข้างล่างไปเรื่อยๆโอกาสที่จะเป็นน้ำใสสะอาดมันก็มีไม่ได้จิใจของบุคคลที่ไหลไปสู่กระแสะกรรมมันก็เป็นอย่างนั้นเกิบางคนปริมาณของกิเลสแกาก็สูงพอกระกทํากรรมก็มีความรุนแรงรือประกอบด้วยความโลภจากความโกรธจากความหลงจากผลคือวิบากก็ออกจะมาเป็นรูปของความทุกข์ความเดือดร้อนการพร่าพรากการสูญเสียการแตกมิดตเราจึงรายเป็นการสงครามอะไรต่างๆ แต่ว่าให้ผลในปัจจุบันมันก็ไม่พอมันก็ยกยอบไปให้ผลในโอกาสต่อไปมันก็กลายเป็นพบเป็นชาติที่มีความตกต่ํามีความทุกข์ความเดือดร้อนก็กลายเป็นพวกนรกกลายเป็นพวกเปรตอย่างที่ทรงแสดงเอาไว้แต่บางทีปริมาณของกิเลสมันอยู่ระดับกลางซึ่งก็หมายความว่าสภาพจิตใจแล้วในชีวิตประจําวันก็เป็นการชักกระเยอะกันอยู่ระหว่างกุศลกับอกุศลบางครั้งกุศลได้กําลังก็คุมจิตใจให้ออกมาในรูปของกุศล การกระทําก็เป็นกุศลผลก็จะออกมาเป็นความสุขที่เขาสัมผัสได้ในขณะนั้นๆเป็นความเจริญความก้าวหน้าความสําเร็จในระดับหนึ่งก็ก็มีความสุขอยู่ในชาติปัจจุบันแต่ก็บางโอกาสบางขณะกําลังก็กิเลสเกิสูงกเกิดขึ้นแล้วก็ทําให้การการกระทำหรือ ก, กรรมของบุคคลก็ตกอยู่ภายใต้อำนาจของกุศลผลก็ออกมาเป็นรูปของความทุกข์ ความเสื่อมความตกต่ำในภูมิจิตวิญญาณของเขาก็จะเกิดขึ้นในขณะนั้นๆและกลายเป็นความดวดร้อนการระาราการสูญเสียตามสมควดแ ก, ก่กรรมเพราะันลักษณะของชีวิตในแนวนี้เพื่อสังเกตว่ามันก็เป็นเช่นเดียวกับที่ทรงอุปมาไว้จึงเคยกล่าวไวใ้ในประสุติปั่ษ์มัก็เหมือนกับคนที่ตกลงไปในกระแสน้าบางคนก็ตกไปแล้วก็จมหายไปเลย ถึงกรหมายความว่าถ้ามองในแง่ขององค์ธรรมคือกระบวนการของธรรมะเหล่านี้ก็คือว่ากิเลสนะก็มีกำลังอยู่มากก็ครอบงําใจทําให้การกระทําเป็นบาปเป็นกุศลมากผลก็คือมีความทุกข์ความเดือดร้อนมากแล้วก็กลายเป็นชีวิตประเภทที่ทรงแสดงว่ามืดมาแล้วก็มืดไปนั่นเองนั้นคือความต่อเนื่องของธรรมะที่ทรงแสดงไว้ในขั้นต่างๆแต่ว่ตัวการที่เป็นเครื่องกําหนดก็คือปริมาณของกิเลส กับปริมาณของธรรมะที่มีอยู่ภายในจิตใจของบุคคลซึ่งหมายความว่าถ้าตัวหนึ่งมากตัวหนึ่งก็น้อยตัวหนึ่งน้อยตัวหนึ่งก็มากเกิดจะมีอย่างนี้ตลอดไปซึ่งบุคคลสามารถจะดูได้แม้ในขณะบำเพ็ญเพียรทางจิตเช่นในการจเจริญสมะสมถกรรมฐานอริปัสนากรรมฐานโดยเฉพาะสมถกรรมฐานเนี่ยใจของบุคคลก็ต้องสงบจากอารมณ์ที่น่าใคราน่าปรารถนาน้าพอใจ โดยเ่างยิ่งในขณะนั้นจะมักจะเป็นการตรึกนึกเอามากกว่าคือเหนียวนึกออมากกว่าเพราะอารมณ์ที่มากระตุ้นจากข้างนอกนั้นก็มีน้อยเนื่องจากเราอยู่เต็ที่จํากัดแล้วก็นั่งหลับตาตาก็ไม่อินรูปหูก็อาจจะได้ยินเสียงแต่ก็ไม่สมหวัเสมอไปจมูกลิ้นกายก็ไม่ได้กลิ่นที่พิเศษอะไรไม่ได้รสที่พิเศษอะไรกายก็ได้สัมผัสติ่ปกติธรรมดา ปัญหาใหญ่ที่รับรู้ในขณะนั้นก็คือหูกับใจแต่หูส่วนใหญ่มันก็มักไม่ได้ยินเสียงจะ ใ, ในห้องปฏิบัติธรรมะ ก, กันด้วยกันอย่างนี้ถ้าทุกคนมีจิตสำนึกที่ดีงามเกิดขึ้นวรารุษะสละบ้านเรือนมาตั้งรถจิตมาทนร้อนมาเพื่อมานั่งทําจิตใจของตนให้สงบเมื่อทจิตใจสงบมันก็ไม่พูดไม่แสดงอาการอะไรที่เป็นไปเพื่อความไม่สงบ คนอื่นก็จะไม่ได้รับเสียงรบกวนและตัวเองก็จะคุมอาการของตัวเองให้สงบอยู่ได้อันนี้ก็อาศัยความสํานึกที่รับผิดชอบในตัวเองของบุคคลตอนนั้นมันก็ช่วยเหลือเกือกูดกันเพราะในส่วนของเสียงมันก็มักจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ปัญหาใหญ่ที่จะต้องควบคุมในขณะนั้นก็คือจิตซึ่งมันจะสายไปแนอารมณ์ต่างๆคือเล่นไปสู่อารมณ์ต่างๆซึ่งว่าที่จริงแล้วก็อาจจะเป็นอารมณ์ในอดีตก็ได้ อาจะไขว่คว้าปรารถนาอารมณ์ในอนาคตก็ได้เพราะถ้าหากว่าบุคคลไม่สามารถจะคุมใจตัวเองให้อยู่ในจุดที่เกิดความสงบได้มันก็กลายเป็นซักกะเยอะกันคือใจก็จะวิ่งไปตรุกนึกถึงอารมณ์ที่น่าครายน่าปรารถนาน่าพอใจบ้างไม่น่าครายไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจบ้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของอดีตกับอนาคต เราจะตึกดึกถึงอารมณ์ที่มุ่งมา่ปรารถนาที่จะได้ในปัจจุบันใกล้ๆหรือว่าในอนาคตใกล้ๆแต่ถ้าหากว่าบุคคลพยายามควบคุมต่อสู้ที่จะตัดกระแสะเหล่านั้นให้ได้จริงๆคือหมายความว่าตัวเองก็ไม่มีอาการทางกายทางวาจากําเริบคือไม่ขนองกายไม่ขนองวาจาไม่พูดในขณะที่คนอื่นเขาทั้งทําความสงบเพราะตัวเองก็มาเพื่อความสงบ ไอสุก็จะช่วยประับประคองกันใจก็จะมาสงบอยู่ที่จิตคือมาดูจิตจิตยางที่ท่านแสดงไว้ในพระบาลีถึงสาเร็จรูปหนึ่งที่ท่านแนะนำท่านโพธิละหรือท่านโพธิละนั้นแปลว่าท่านไะมีคำพีเปล่าคือท่านมีความรอบรู้แตกฉานในธรรมะมา ก, มากแต่ก็ไม่สามารถประพฤติปฏิบัติได้เป็ลนลักษณะของคนเลี้ยงโคเพื่อให้คนอื่นดื่มนม แต่ว่าตัวเองก็เหน็ดเหนื่อยต่อมาถูกเพื่อนเรียกในทํานองยอะเย้ยตักเตือนเข้าวบ่อยๆข้าวแล้วก็เกิดสานึกที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมะให้ได้รับผลคือหมายความว่ามีความรอบรู้ในส่วนปริยัติ ด, ด้วยแล้วก็แตกฉานในการประพฤติปฏิบัติ ด, ด้วยจะรับผลที่เกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติ ด, ด้วยแต่ก็ไม่มีใครกล้าสอนท่านเพราะท่านเป็นอาจารย์สั่งสอนบุคคลอื่นมานานและในที่สุดก็ท่านก็ขอร้องไปเรื่อยๆจนถึงสามเณร แม้ท่านจะเป็นรามเณรในท่านเป็นพระอาจารย์ท่านก็มีอุบายวิธีที่จะฝึกที่จะแนะนําพระอาจารย์ใหญ่ในตอนแรกท่านก็ตอบตนบอกว่าไม่สามารถที่จะสอนอาจารย์ได้ครับท่านก็พยายามอ้อนวอนด้วยพิธีการต่างๆสามเณรก็บอกว่าถ้าอาจารย์เชื่อผมทุกอย่างแล้วผมก็จะสอนให้ผมสั่งให้ทําอะไรอาจารย์พร้อมที่จะทําแล้วก็จะสอนให้แต่โปรติลาก็ยินดีรับรองว่าจะทําตามนั้น เนนก็ทดสอบพระอาจารย์ปธตระนั้นขึ้นไปบนยอดเขาแล้วก็โดดลงมาปรากฏท่านขึ้นไปแต่พอจะกระโดดสำเร็จก็นิมนต์ลงมาแล้วก็แนะนำบอกว่าร่างกายของเราเนี่ยมันเหมือนกระจอมปลวกที่มีช่องอยู่หกช่องบุคคลต้องการจะจับสัตว์ซึ่งอยู่ในจอมปลวกนั้นถ้าต้องการจะจับให้ได้มันก็ต้องอุดช่องสห้าช่อง แล้วก็ปล่อยช่องหนึ่งเอาไว้เพื่อให้สัตว์ตัวนั้นออกมาจากปล่องนั้นแล้วก็จับตรงนั้นเองซึ่งหมายความว่าร่างกายของเราที่รับรู้อารมณ์มันก็รับรู้ทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายแล้วก็ทางใจแต่เราสามารถที่จะปิดคือตาไม่ดูรูปจะบ้างหูไม่ฟังเสียงจมกูมกไม่ดมกลิ่นลิ้นมีทิ้มรกายไม่ถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแขงประเภทที่ก่อให้เกิดความกัหนัก ประเภทที่ก่อให้เกิดความขัดเคืองประเภทที่ก่อให้เกิดความรุ่มลงประเภทที่ก่อให้เกิดความบวมเมาทำไมยังต้องกำหนดประเภทก็พึงสังเกตว่าการรับรู้ธรรมะมันก็มาทางช่องทั้งหเหมือนกันมันจะต้องกำหนดลักษณะของอารมณ์ว่าอารมณ์จะต้องแยกเป็นสี่ประเภทนี้จึงจะควรปิดควรกั้นกระแสของอารมณ์หลนั้นไม่เข้ามา แต่ถ้าอารมณ์อันใดก็ตามที่เป็นไปเพื่อความคลายกาหนัดแม้ความความความกำหนัดมีอยู่แล้วแต่ก็เพิ่มขึ้นมันก็คลายความกำหนัดคือแสดงว่าถ้าธรรมะเหล่านั้นเข้ามาความกำหนัดภายในใจเราก็จะจางลงคลายลงบรรเทาลงจิตใจจะสายไปด้วยหน้าของความกำหนัดน้อยลงซึงปริมาณกิเลส ก, ก็ลดไปตามไปทำใมกระแสของธรรมะสูงขึนอันนี้ก็เป็นไปเพื่อ ความรู้ยิ่งเพื่อความรู้ดีเพื่อความดับตามเป้าหมายของพุทธศาสนาท่านก็สอนให้รับอารมณ์หลดแนนราะการกําหนดอารมณ์ในการสํารวมระวังปิดกั้นกระแสของอารมณ์ไม่ใช่ว่าทําทุกอย่างแต่ว่าทำเฉพาะสี่ประเภทเท่านั้นเองแกลมที่เป็นไปเพื่อความกําหนัดคือเพิ่มความกําหนัดเพิ่มความขัดเคืองเพิ่มความลุ่มหลงเพิ่มความบวบเมาเราก็ปิดเอาไว้แม่เข้ามา ถ้าอารมณ์ใดที่เป็นไปเพื่อความคลายกำนังคลายความกัดเคืองคลายควาคมรุปหนุงคลายคว า, ค า, คา ม, ม ม, มัวเมาก็พยายามนำอารมณ์ต่อด้านเข้ามาก็ทำนองคล้ายๆก็จะน้ำขุนก็ไม่เข้ามาน้ำใสก็เข้ามาเราจะเห็นอาการต่อสู้กันระหว่างน้ำสองฝ่ายปริมาณน้ำขุนถูกจำกัดจำนวนเอาไว้ไอนส่วนที่มีอยู่แล้วก็คือมีอยู่แล้วแต่ส่วนที่จะเพิ่มไม่หยอนไม่เข้ามามันก็ไม่ได้เพิ่มแต่ปริมาณน้ำใสก็ปล่อยเข้ามาเรื่อยๆ ไปมาน้ำใสนั่นเองมีจะทําหน้งที่สลายความขุ่นข้นซึ่งมีอยู่ภายในศาสเหล่านั้นให้จางไปโดยดั่งดับในจุดถึงจุดหนึ่งน้ำขุ่นทั้งหลายความขุ่นทั้งหลายก็ตกตะ ก, กอนข้างบนก็กลายเป็นน้ำใสภายในจิตใจของบุคคลเราก็เป็นเช่นเดียวกันเพื่อนจะใช้วิธีนี้แล้วก็มามองสํารวมระวังมาดูที่จิตของตัวเองแต่นที่จะไปรับรู้เรื่องจิตของคนอื่นก็ต่างคนต่างก็ดูที่จิตของตัวเอง เหมือนกับเราปิดประตูวไว้ห้าช่องไม่รับรู้ตั้งห้าช่องแต่ว่าใจก็ยังแล่นไปตึกๆึกอย่างที่ว่าแล้วเพราะก็คุมใจเอาไว้อย่าให้ตึกนึกต่อไปต่อไปความสงบก็จะบังเกิดขึ้นปริมาณของกิเลส ก, ก็ถูกหยุดไว้แล้วก็ถูกสลายด้วยคือไม่หยุดไว้เฉยๆแล้วก็ถูกสลายด้วยก็ทําให้ใจของเราก็ไหลไปสู่กระแสของกุศล ปริมาณกิเลสลดลงกรรมที่เป็นกุศลสูงขึ้นวิบากที่เป็นสุขเป็นสงบ ก, ก็จะเพิ่มพู้นมากยิ่งขึ้นพอบุคคลได้สัมผัส ผ, สผลที่เป็นความสุขความสงบ ก, ก็จะมีชันท่อุตสาหะที่จะสัมผัสผลเหล่านั้นลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นไปในสุดความเพียรพยายามก็จะหมุนเข้ามาเพิ่มที่ตัวกุศลเราจะเห็นว่ากระแสกิเลสก็จางลงไปอีกกรรมก็เป็นกุศลเพิ่มคิดอีกผลเป็นความสุขความสงบเพิ่มขึ้นอีกก็หมุนกลับมาที่เดิมเหมือนกัน เพราะไรเพราะว่ากิเลสนั้นพึงสังเกตว่าท่านเรียกว่าโลภะหรือว่าใคร่ปรารถนาพอใจก็อยากได้อยากมีอยากเป็นในสิ่งเหล่านั้นแต่พอมาถึงธรรมะท่านเรียกว่าฉันทะคือความพอใจคือความยินดีในกุศลหรือว่าบางทีก็เรียกว่ารัติก็มีเปลว่าความยินดีในธรรมในความยินดีในธรรมมันก็อีกว่าไม่ใช่ว่ายินดีเฉยๆมันก็ต้องใช้ความเพียรพยายามมีความมุ่งมั่น จใจปัญญาสดส่องเพื่อจะสร้างผลดั น, นั้นในบางเกิดคิดกระแสมันก็หมุนกลับแทนที่จะเป็นการเพิ่มกิเลสบางกายเป็นการลดกิเลสเมื่อลดกิเลสลงมันก็ลดกรรมชั่วลงก็เพิ่มกรรมดีขึ้นเพราะยังไงยังไงอย่างน้อยที่สุดกรรมฝ่ายที่เป็นกุศลที่เกิดขึ้นภายในใจก็ต้องเกิดขึ้นแม้เราจะไม่ทําอะไรด้วยกายไม่ได้พูดอะไรด้วยวาจาแต่ว่าใจไม่ต้องคิดอารมณ์เมื่อคิดเป็นกุศลสูงขึ้นสูงขึ้น เรสัมผัสความสงบเย็นมากยิ่งขึ้นเราจะพอใจติดใจในความสุขความสงบเหล่านั้นแล้วก็เพิ่มพูนไปเรื่อยๆซึ่งอาการเหล่านี้จะหมุนวนเช่นเดียวกับการหมุนวนของกระแสขังกิเลตเมื่อทําไปอย่างนั้นสภาพจิตมันขึ้นไปอยู่อีกจุดหนึ่งก็คือกุศลขึ้นมาความกังกิเลตน้อยลงทําให้ภูมิจิตเราอยู่ในภูมิที่เป็นกุศลคือชั้นก็จิตจะอยู่ในชั้นที่เป็นกุศล ทำให้กายกรรมก็ดีวิจิกรรมก็ดีมนุกรรมก็ดีก็ออกมาในรูปของกุศลเที่ยวก็พร้อมทั้งสาทางคือทางกายทางวาจาทางใจผลก็เป็นความสุขความสงบที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นและเราก็อยู่ในภูมิตรงนั้นเองคือจิตเราก็อยู่ในภูมินั้นก็ทําให้ภพ่องเราแม้ในชีวิตประจําวันก็จะมีความสงบประณีตมากยิ่งขึ้นเพราะกระบวนการเหล่านี้จึงสามารถที่จะมองได้ทุกๆขั้นตอนของการประพฤติปฏิบัติ เพราะเป็นความต่อเนื่องการของกระแสธรรมะทีนี้ถ้าเทียบกลับเข้าไปที่กลุ่มคนซึ่งอยู่ในกระแสน้ำอยากจะยกตัวอย่างไว้ในตอนต้นประเภทแรกมันก็กลายเป็นพวกที่จมน้ำแล้วก็จมหายไปได้ประเภทที่สองมันก็มีลักษณะชักกระเยอะกันอยู่เพราะงั้นก็มีการโผล่โผโผล่เกิดจมลงไปแล้วแล้วก็โผล่ขึ้นมาได้แล้วก็อาจจะจมลงไปอีกจมไปอีกมันก็โผล่ขึ้นมาได้อีกแล้วก็จมลงไปอีกได้ ดังกรณี้ราสังเกตว่าการปฏิบัติบางอย่างเราเห็นได้ชัดว่าเราไม่ต่อเนื่องบางครั้งบางคราวก็เห็นแก่อะไรเพียงเล็กๆน้อยนเห็นแก่การพักผ่อนเพียงน้อยน้อมันก็หยุดการประพฤติปฏิบัติเดียวป ร, รู้สึกคอใจติดใจในการพักผ่อนมากกว่าความสงบในด้านธรรมะแสดงให้เห็นว่กากลุ่มด้านทานของใจหรือกำมังของใจนั้นไม่ได้เข้มแข็งมากพอเราก็ชักกระเยอะกันอยู่อย่างนี้ซึ่งก็ส่วนใหญ่ก็จะตกอยู่ในสภาพนี้เป็นส่วนมาก ก็ทําให้เป็นบุคคลที่มีคติไม่แน่นอนเพราะภูมิจิตไม่แน่นอนทําให้ภพของที่อยู่ของจิตก็ไม่แน่นอนแดีพฤติกรรมของเขาก็กลายเป็นพฤติกรรมที่ไม่แน่นอนแต่ถ้าขึ้นไปอยู่ในอีกจุดหนึ่งก็กลายเป็นบุคคลที่ทรงใช้คำว่าประคองตัวได้เป็นอย่างน้อยคือหมายความมันก็ตกลงไปในกระแสน้ําเหมือนกันแต่ก็ตะเกียรตะกายเสริมความแข็งแกร่งมีความเจริญชำนาญจะประคองตัวอยู่ในกระแสน้ําได้ แต่คื่มันไม่แรงเกินไปมันก็ไม่กระแทกกลับเข้ามาทาให้ปริมาณของกิเลสซึ่งก็มีก็มีน้อยการกระทำก็เป็นกุศลมากขึ้นทำให้มีความสุขเป็นวิบากที่เราสัมผัสได้ในขณะนั้นนั้นวันทั้งหมดจึงเป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวเนื่องถึงกันทุกขั้นตอนของสิ่งที่ ท, ทรงแสดงสั่งสอน เพียงแต่ว่าย้ายเปลี่ยนแปลงไปเพื่อบุคคลสามารถมองเห็นได้ชัดเจนในจุดใดจุดหนึ่งแล้วก็จะเข้าใจได้ในจุดอื่นเพราะฉะ น, นเรื่องเหล่านี้จึงจําเป็นจะต้องอาศัยหลักประการสําคัญที่ส่งใช้ประโยน์ในโสพนสิกานประโยมชน์ในโสพนสิกานที่จะต้องดูให้ไปรจักแจ้งแก่ใจกค็คือว่าเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในเชิงพฤติกรรมของตัวเองเช่นมีอาการกายสงบมากขึ้นวาจาสงบเพิ่มขึ้น มันเป็นการสะท้อนมาจากใจที่มีความสงบแต่ถ้านั่งปฏิบัติไปแล้ววันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าปีแล้วปีเล่าแต่ยังกลายเป็นผู้ขนองกายขนองวาจาอยู่นึกเกี่ยวพูดก็พูดไม่รู้ว่าเวลานใดควรพูดหรือไม่ควรพูดเพราะแสดงว่าผลที่จะเกิดขึ้นจากการ ป, รปฏิบัตินั้นก็ไม่เป็นไปตามเป้าหมายแต่ในขณะเดียวกันเราก็แก่ไปทุกนาทีแก่ไปทุกชั่วโมงแก่ไปทุกวัน ความตายก็คือพรานเข้ามาใกล้ในสุดสิ่งที่เราคิดว่าจะเป็นสาระมันก็กลายเป็นเรื่องที่ไม่มีสาระอะไรกติพบที่มุ่งหมายปรารถนาที่จะให้มีความสงบประณีตตามที่เราต้องการก็จะเกิดขึ้นไม่ได้เพราะไม่มีเหตุปัจจัยที่จะให้ได้พบอันประนีตเนื่องจากภูมิจิตไม่เข้าสู่ภูมิที่มีความมั่นคงมากพอต่อจตกนี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสึุข